เาจะตัวปัจจัยมาถวายพระไปพระก็เกิดขีโรกแทนที่จได้บุญกันบาู่มาทำบาปเป็นมาทำบุญมาเถะเาะแ้เนี่มเศร้ามาดูดิจากมือแต่วงว่ายเนี่ยมันเร้า เจ้าอาจารย์จะขนหยังมากจะขนอย่างน่าจะเป็นบาตรโลดมากพอแห้งเราขนมาทรงอีก <c oughs> บางวัดว่าผู้คนล้มแน่า ก, กันเพราตั้งถวายพระกะห่อก็ต้มขนอ ง, องมจะขายไปไส่มืด <c oughs> นั่นเป็นทําบาปว่ะนั่นของร่างกายมันโยงของร่างกายอะ่ะของใจมันทั้บายเบิ่งล้มคอล้มบอกนั่งเบิ่งแม่พอจะซื้อได้บาตตัวถึงมาแจ้งว่ะแต้งใจอะ่ะ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 พระเคยเห็นมากนในฟ้านพระบอกโยมมาอะไรโยมถาวายสังฆทานเจ้าข้ากาุฏิุเทียนถาวายสังฆทานถาวายผ้าป่าถาวายกระถินถวายอาหารถาวายแล้วตรวจน้ำโยมนะราบอกทำบุญบ่อยพ่อแม่นหลวงพ่อตำหนิพระเด้เราตามเห็นมาโยมจะทาบุญจ้วัดผมทำบุญปีนี้กระถินสิบกองเปนวาจังใดล่ะ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 คือกว่าเราตีกันกับมี่เพาะอย่างไรเพราะตีแห่กถินยากมาหาเราถครบนั่นว่าจะถินบาปเพราะเราตีถิ่นบุญเหมือนทำบุญก็ต้องไปนั่งเงียบสงบเบิ่งร่มเขาล่มบ อ, อ, อกนั่นไปวัดทำบุญขอมาถวายประนนเป็นบาปดีว่ดีกับพระจะเป็นบาปอีพกพระเกิดขวอมลบสังกับว่ามือแท้มายากกัน เอาไปมากเห็นอาหารบาดกลนบาดไหลเขาก็มามาปล่อยเอาแมวมาปล่อยเอาสัตว์มาปล่อยนั่นเก็ดขึ้นบนบากในพระหรือเปลัาพาออะระเลยเป็นบาปอยน้าเขาน้าเขาวิ น, าาว บ, นบาขายก็เมียหทุม่มเงินวันนี้ยขา่าถี่รบินตบาดเวีย น, นขายกับตรง ข, งขงนุในกรุงเทพทะเลาะ ก, กันเป็นเรื่องเป็นเล่ากันทุกคนกัวนุ่นมแล้วไปใส่พระ ห, หลายอ่ะพระคเจ้าสอนใน นายุาา่มถอยประสงค์รักษาศาสนาพุทธบริษัตสี่พิษสุขสมเนตรอุบาสกอุบาสิกาช่วยกัน ร, รักษาศาสนาเพราะมนช่วยกันทำไรดิเห็นอาหารในบาทพ่อฉันเหน่นี้ม้วนหลวงปู่กับวัดนั่นถูกกองว่าวัท้ายเอกหลวงปู่เอาอยญ้ามาใส่น้ำหลวงปู่เอาเข่ง ม, มาใส่หลวงปู่เอารถมาใส่หลวงปู่ต <c oughs> ิดเออเล่ยในพระลำบากีิบ ก็บอกว่าไปทำบุญเหมือนหตุเภทาณุงยากกว่าทำบุญนี่บัดนั่นนั่นก็คือบอกคนทั่มักยากก็เพราะเพราเขาใจเรื่องทำบุญนั่นแหละเลยบ่มีสมาธิก็เลยบ่มีปัญญาปัจจามาที่เกิดปัญญาบ่มีก็เหตุนั้นก็ว่าทาบุญทาบุญแต่ว่าทาบุญทำบุญแบนว่าทาบุญคือรักษาใจไปบังไปแรกบางบ้างก็ไปนางบัง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 ต้องถามโตหัววเป็นนบหลนเห็ดว mm ่าใดพระพุทธเจ้าคุสอนเจส่ว่าเห็ดว่าใดทําว่าใดสิ่งที่ทําว่าใดพระพุทธเจ้าคุณสอน